วิธีสลัจีวรที่เป็นนิสกีสลัดแก่สง์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสง์หมอุตราสง์เฉวงบาข้างหนึ่งกราบเทา้าภิกษุผู้แกพ่พรรษานั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวรผืนนี้เขาไม่ได้ประว a n a ไว้ก่อนกระผมเข้าไปหาเครือหัดผู้ไม่ใช่ญาตกําหนดชนิดจีวรเป็นนิสกีกระผมสลัจีวรพืนนี้แก่สง์ครั้นสลัดแล้วพึงแสดงอาบัต ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยยติกรร ม, มะวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพาเจ้าจีวรผืนนี้ของภิกษุเช่นนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุเช่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูปห่มอุตราสง์เฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษา นั่ ง, รงประย o ประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวันผืนนี้เขาไม่ได้ปรณนาไว้ก่อนกระผมเข้าไปหาเครือหัดผู้ไม่ใช่ญาติกําหนดชนิดจีวรเป็นนิสกีกระผมสละจีวันผืนนี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัตพึงเคืนจีวันที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าจีวันผืนนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสกี สละแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวันเผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตราสง์เฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านขอรับจีวันเผืนนี้เขาไม่ได้ปร ะ, ประวรณาไว้ก่อนกระผมเข้าไปหาเครหัดผู้ไม่ใช่ญาติกําหนดชนิดจีวร เป็นนิสกีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัตแล้วคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมคืนจีวนันผืนนี้ให้แก่ท่าน